อย่างที่พวกเราได้สวดมนต์จบพงศครูนี้ใครๆก็ต้องการความสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะต้องการความทุกข์เพราะฉะนั้นการที่จะต้องการความสุขนั้นพวกเราจะปฏิบัติตนอย่างไรจะกระทําอย่างไรจึงจะให้ตัวเองสงบพร่มเย็นเป็นสุขเป็นอันดับแรกจากนั้นก็จะให้ประเทศชาติ อยากจะให้โลกทั้งโลกมีความสงบร่อเย็นเป็นสุขด้วยก็สุดท้ายเนี่ยที่พวกเราว่าขอให้รับเมตตาพวกเรายินดีให้โหสิเมตามีความสุขทวนหน้าให้มารับส่นบุญส่นกุศลจากพวกเรานะอันนี้ก็คือให้มีเมตตาในจิตใจในพวกเราคือพวกเราสรุปแล้วก็คือพวกเราไม่คิดจะเบียดเบียนใคร ไม่คิดจะลังแกใครไม่คิดจะเบียดเบียนใครมีแต่ความเมตตาอยากจะให้โลกทั้งโลกสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในคราวนี้เถหลวงพ่อมีตรจะแนะนำโน้ม น, น้าวจิตใจของพวกเราให้เป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจนะ คือในหลักของพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาเห็นป่าอย่างวัดป่าอย่างหลวงพ่อเอ๊ะพระท่านอยู่อย่างไรอย่างนี้พวกเราก็อาจจะสงสัยแต่ตามไม่จริงในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วการบวชของพระพุทธเจ้าเรายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเลยเนะ่ยเป็นบรมครูของพวกเราเป็นต้นความคิดเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นทุตต้นทฤษฎีด ในการบวชนะพระพุทธองค์มีจุดประสงค์อะไรในการบวชของพระองค์ทั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยนั้นท่านครองราชมีความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ทําไมหนีไปบวชนะีอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษาเหมือนกันเพราะว่าพวกเรามาศึกษาในคราวนี้ก็คือมาศึกษาเรื่องพุท ธ, ธะบวชเข้ามาาพวกเราเคารพนับถือในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอะไรพระพุทธเจ้าก่อนที่จะหนีออกไปบวชอายุของพระองค์ได้ยี่ปีของราชมาพระบิดามอบราชสมบัติให้ของราชจนอายุถึงยีสิบปีเมื่อยี่สิบปีแล้วพระองค์อยู่ครองราชมีความสุขทุกอย่างในเมื่อการเป็นอยู่แต่พระองค์เห็นทําไมพระองค์จึงจึงหนีไปบวชพระองค์เห็นความแก่ อันดับแรกเห็นคนแก่เออทำไมคนจึงแก่เพราะว่าทุกคนในตกไม่ก่อนก็เป็นเด็กน้อยเด็กหนุ่มต่อมาก็เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่กระไรแต่พอมาแก่หัวงอกหัวขาวเข้ามาฟันหลุดเข้ามาแล้วหนังเหี่ยวหนังย่นเข้ามาแล้วใส่แม่เท้าเข้ามาแล้วหลังค่อมเข้ามาแล้วหาความสุขไม่ได้ในความแก่นั้นพระพุทธองค์ก็มองเห็น ต่อมาเห็นคนเจ็บอีกในเมื่อแก่แล้วยังไม่แล้วยังเจ็บอีกพอเจ็บแล้วยังแล้วยังตายอีกเนี่นี่แหละพระพุทธองค์ได้เห็นจุดสามอย่างคือแก่เจ็บตายในพระไทยของพงค์จากนั้นพระองค์ก็จะทํำยังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่แหละจุดสนวนหรือว่าจุดแรกที่พระพุทธเจ้าหนีออกจากเวียงวังเขาไปศึกษาอยู่ในป่าเหมือนกับไปศึกษาคนา้นคว้าวิทยาศาสตร์อย่างนั้นแหละ พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจในี่จะทํายังไงจึงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเป็นเบื้องต้นแหละเจนี่จากนั้นพองคนหนีไปอยู่ในป่าไปอยู่ถึงหกปีอยู่ในป่าไปศึกษาค้นคว้าอยู่ตามลําพังลองผิดลองถูกลองถู ก, ล อ, ถกลองผิดลองผิดลองถูกอยู่เป็นเวลาหกปีจนถึงวันเดือนหกเพนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้คือวัน ที่พระพุทธเจ้าค้นพบหลักสูตรหรือหลักธรรมหรือหลักเหตุผลหรือหลักสูตรสาเร็จในการปฏิบัติธรรมของพระองค์ในวันเดือนหกเพนจั้นพระองค์วันนั้นพระองค์ทำอย่างไรก่อนที่พระองค์ได้สูตรสาเร็จนั้นจุดนั้นที่นำพระธรรมคำสั่งสอนมาประกาศเผยแผ่สั่งสอนพวกเรานั้นในจุดนั้นวันเดือนหกเพนอันดับแรก พระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นจากนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าค้นคว้ากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์จากนั้นจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง จิตนิ่งจิตเป็นหนึ่งจิตไม่กระสับกระสายจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สั่นจิตไม่คิดออกนอกรูนอกฐานจิตไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นจิตอยู่ในความสงบจิตอยู่ที่กําหนดที่ลมหายใจก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกทันในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบจิตอยู่กับที่แล้วทนจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตของพระองค์เกิดฌานเกิดญาณทัศน์พอเกิดญาณทัศน์พระองค์ จสงบเป็นหนึ่งเกิดยานขึ้นมาพระองค์น้อมจิตที่เกิดฌานนั้นน้อมถึงชาติผลหลังเียกว่าปุบเพยในวาสานุสติญาณในพระบาลีบอกปุบเพยในวาสานุสติญาณระลึกชาติหลหลังได้ถ้าหาว่าพวกเราตายแล้วศูนหลักของพุทธศาสนานี่แปลว่าไม่สมบูรณ์ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าอบรมเรื่าการเทศเรีวยวหลักของพุทธศาสนาไม่สมบูรณ์ เ็าสอนคนแล้วตายแล้วศูนย์คนตายแล้วศูนย์จะมีประโยชน์อะไรเมื่อศูนย์แล้วทำความดีความชั่วก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์เพราะมันศูนย์แต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ได้นึกย้อนหลังว่าปุเพนวาสานุสติยานระลึกชาติโหนหลังได้เหมือนกับพวกเราเมื่อวันนี้มาจากไหนจะอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้เรามาจากไหนวันก่อนมืมาจากไหนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อน จนถึงชาติก่อนและก็หลายหลายชาติที่เราเกิดมาเหมือนชาติที่แล้วก็เหมือนกับชาตินี้แต่อาจจะแตกแตกต่างกันบางคนอาจจะเกิดเป็นหมูหมากาไกา่ช้างมา้าวัวควายเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นได้ทั้งนั้นที่มาเกิดในภพนิชาตินี้พระองค์รู้หมดอันนี้คือพระ อ, องค์รู้ของพระ อ, องค์ก่อนที่ว่าปุเพในวาสานุสติยานเป็นสายยาวเหยียดเลยในการเกิด ในพบในชาติในการเกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมาถึงชาตินี้พระ อ, องค์รู้ได้จากนั้นในปฐมยามคือยามตอนหัวค่าจะว่าปุเพในวาสานุจติยานคือได้ยานตอนหัวค่าพอพระองค์ไม่ลดละในการกําหนดจิตใจของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จิตใจสงบละเอียดนิ่งลงไปอีกจนรู้ได้ว่าเกิดญานัศนะขึ้นมาอีกว่า จุตูปะ ป, ะปะาฏยานรู้จปกการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายจัดทั้งหลายวิญญาณตรงนี้มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระองค์ก็รู้อีกว่าทุกคนต้องมีที่ไปมีที่มาทุกวิญญาณพระองค์รู้ได้หมดอยากจะรู้ใครมาจากไหนมีบุพกรรมเก่าของเขาทําอะไรไว้ในชาติที่แล้วเขาจึงได้มาเป็นอย่างนี้ ออกจากนี้แล้วเขาทำกล้ำอันไหนไว้ในชาตินี้เขาจะไปชาติหน้าอันนี้พระองค์ก็รู้อีกว่าจุตูปะปะตาตะยานรู้จักการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้พระองค์ขว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าทำกล้มไม่ดีไว้นะถ้าทำกล้มไม่ดีไว้อนาคตถ้าตายไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะไปในไปในทางที่ไม่ดีเพราะกร้ำที่ไดกระทาไวน้นี้จะพาผักดันไปในทางที่ไม่ดีได้อันนี้พระองค์ก็รู้อีก เพราะนั้นท่านท่านจึงสอนหลักของพุทธศาสนาขึ้นมาอย่าทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้กันว่นางั้นอันนี้ก็คือตุ ต, ตูปะปาตยานจากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาดูว่าจิตวิญญาณท ว, วัดใจดวงนี้ทำไมจึงโวกลเวียนเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอะไรทำไมจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพระองค์ก็ได้ทาจิตให้สงบลงไปอีกดูอีก ด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองลงไปอีกจนไปถึงดวงวิญญาณเกิดมาจากไหนพพระพุทธองค์รู้ได้ว่าเกิดมาจากอวิชชาคือตัวไม่รู้คือตัวโง่ตัวหลงท่านว่าอวิชชาจากนั้นพระพองค์ก็พิจารณาในหลักอวิชชาตัวนี้จะทํอยังไงจึงจะแก้ไขจุดนี้ได้พบรพองกับกาหนดดูปฏิจจสมุปบาท อวิชชาปัจญจาสร้างฆาราสร้างฆาราปั จ, จยาวิญญาณังจนถึงโสกปริเทวทุกขโทมนสุการเกิดขึนมาแล้วเศร้าโศกร้องให้พิไรรำพันมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นะจากนั้นพระองค์ก็พิจารณาด้วยตปธรรมคือสินสมาธิปัญญากาจัดตัวเชื้อที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวตะสงสารออกจากพระไทยรู้ใจของพระองค์ กิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นกระดอนออกจากใจใจของพระองค์ก็ บ, บริสุทธิ์ผุดพ่องไม่มีอะไรที่จะเข้าไปรุ่งเหยิงวุ่นวายในพระทัยของพระองค์หรือใจของพระองค์ใจของพระองค์นอกเหนือจากออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะโทสะไม่เข้าไปบัญชาหรือเข้าไปเป็นเจ้ากี่เจ้ากาันพระทัยของพระองค์ใจของพระองค์พระองค์จึงได้ กล่าวขึ้นมาว่านิพพานังปรรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรรมังสุนยังนิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนเชื้อที่จะทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัตสาสงสารพระองค์คาจัดออกแล้วศูนย์แล้วไม่มีที่จะทําให้จิตใจพระองค์วุ่นวายเหมือนครั้งตะกนก่อนเพราะฉะนั้นนิพพานังปรรมังสุนยังนิพพานังปรรมังสุขขัง เมื่อศูญย์เชื้อแล้วก็มีแต่ความสุขในใจของพระพุทธองค์พระพองค์ออกจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงแล้วอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาอยู่ในป่าโรงพงไฟจากนั้นพระองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ได้มาประกาศมาเผยแผ่มาขายายผลให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยบุตรนาคทั้งหลายก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจ การเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้เราไม่ได้บวชมาเพื่อรับภาระแบ่งภาระสู้กับการงานอย่างอื่นเรามาพิจารณาไตรตรองถึงเหตุและผลมาสู้กับใจตัวเองการบวชในครั้งนี้ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วมาอยู่เฉยเฉยนั่งงงงกกะกักอันนี้พวกเราก็คงจะคิดอย่างนั้นแต่ตามที่จริงการบวชของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มานั่งภาวนาดูใจของตนเอง วันนี้ใจของเราคิดเรื่องอะไรนี่แหละคือสนามลบหรือสนามค้นคว้าของหลักพระพุทธศาสนาถ้าเราคิดปรุงฟงสารคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงเอาหงค์ือทิฏอาหารคิดถึงครอบครัวถึ ง, ถงคือเขี่ยวเตะเลร่อนนั่นแหละตลอดพยามานเออที่พระพญามาันที่พระพุทธองค์ไปอยู่ที่โคลนต้นโพนพยามานเข้ามารังแก่เ อ, อคือขันธา์ามันกิเลสสมานเข้ามารบกวนอันนี้ให้ พ, พวกเราให้ ถ้าว่าพวกเราจิตเป็นสมาธิพวกเราจะรู้ได้ว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่ละเวลาแต่ละวัดนี่แหละตัวกิเลสเข้ามาสู่จิตใจของเราบางทีก็ง่อมเหงาเศร้าซึมอคิดถึงเรื่องต่างๆแต่ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะบวชกี่วัน เ, เราจะบวชไม่นานเราก็รู้อยู่แต่ว่ากิเลสตัวนี้ยื้อแย่งแข่งดึงดันออกไปาบางทีเราก็ ว, ว้าวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าซึมลึกๆอยู่ในจิตใจนั่นแหละให้พวกเราถือได้ ว, ว่านั่นแหละคือตัวกิเลสตัวกิเลสนั่นแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นนะเพราะการเป็นนักพรจนักบวชนี่ท่ทะไม่ได้แบกได้หามทํางานหนักเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปแต่ท่านสู้ทางด้านจิตใจดูจิตใจดูจิตดูใจคือตามพุทธะเนี่ยพระพุทธองค์บอก ว, ว่าการชําระใจได้แล้ว การทําใจแล้วว่าการเอาชนะใจตัวเองได้แล้วนั้นละประเสริฐกว่าการชนะความโกรธตัวเองเพียงครั้งเดียวประเสริฐกว่าเพราะนั้นเอาชนะใจตัวเองได้ประเสริฐกว่าอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้ให้นั่งสมาธิดูนะที่ว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยพวกเราให้ทําใจดูใจของตัวเองไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะ เหยียบย่ำทำลายตี อ, อ, ก, อกระเด็นกระดอนในตัวของพวกเราพวกเราก็ยังไม่รู้กิเลสมันอยู่ที่ไหนยังหันหน้าไปข้างนอกอยู่แต่ทีแทกกิเลตีหัวใจของเราจนปั่นป่วนจนอยู่ด้วยความยากลำบากแต่พวกเราก็ยังมองไม่เห็นกิเลสแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธะที่พระพุทธเจ้าไปบาเพ็ญอยู่ในป่าหกปีนั้นนี่แหละท่านมันดูใจของพระองค์นี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วน่ะ ร่างกายของพวกเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นชัดๆนะถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นอย่างชัดๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยพ่อแม่เป็นโรงงานผลิตรถแต่เราคือวิญญาณเนี่ยคือใจเนี่ยเข้าไปขับรถออกมาจากอูนะ่พ่อแม่เป็นคนผิดแต่เราไม่ใช่เราผิดรถเองนะ เราเนี่ยเป็นเจ้าของของรถแต่เราเข้าไปไปไปขอไปเอาเข้าไปขับรถออกมาจากอู่เออคือมาออกมาจากท้องแม่ในเมื่อเราขับออกมาแล้วทีนี้เราก็มาเป็นตัววิญญาณคือใจ น, นั่นแะเข้ามาดูประครบประงมเป็นมาดูแลรถคันนี้คือร่างกายของเรานี่คือวิญญาณมาประครบประงมจนใหญ่ขึ้นมา หิวน้ำก็หาน้ามันมันกินเหมือนกับเราขับรถไปนะทำรถมันหมดน้ำเราก็เติมน้ำเข้าไปถ้ามันหมดน้ำมันล้วก็เติมเติมน้ำมันเข้าไปถ้าหมดมันหมดลมเราก็เติมลมเข้าไปนี่อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในร่างกายของเราเนะี่ยมีสองสองคืออะไรคือรูปธรรมรูปธรรมก็คือรถนามธรรมน่มคือใจอาศัยกันอยู่ ตัวนม า, ามธรรมเน่เข้าไปขับรถออกมาเพราะพระติเจ้าให้ความสนใจเรื่องนมามธรรมคือคนขับรถมากกว่ารถส่วนรถนั้นน่ะคือมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่คนขับรถดีไหมถ้าคนขับรถนิสัยดีมีมารยาทมีคุณธรรมศีลธรรมถ้าขับรถไปรถคันนั้นก็ไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ถ้าว่าพวกคนขับรถไม่ดีก็ขับรถชนดะไปหมดนะ ก็ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นรถคันนี้จะตกแต่งคันไหนอยากจะให้มันวิ่งเร็วหรือหรือว่ามันจะให้มันสวยงามอย่างไรโซเฟอร์แล้วเจ้าของรถนั้นจะต้องตกแต่งรถเองอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เกิดมาแล้วได้ร่างกายสังขารตัวนี้แล้วพวกเราก็นําร่างกายตัวเองประกอบคุณงามความดีแต่ถ้าว่าพวกเรา ได้รถมาแล้วมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานเพลิดเพลินเนหาไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ในเมื่อรถคันนี้แตกสลายรถคันนี้ไม่นานนะไม่ถึงร้อยปีเบางงั้นแต่แต่ก็มันยั่งยืนกว่ารถธรรมดาอยู่ถ้ารถธรรมดาเนี่ยสิบกว่าปีมันก็หมดสภาพแล้วถ้าเราใช้ไม่รู้จักหยุดนะอันนี้ก็เหมือนกันเราร่างกายของเรานี่ใช้ไม่รู้จักหยุดเหมือนกันนะตั้งแต่เกิดมา ไม่รู้กินไม่รู้พักไม่รู้ผ่อนไม่รู้นอนไปที่ไหนจนบางครั้งใจของเราคือนามธรรมของเราเนี่ยถ้าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายมันทุบพลภาพหรือถูกต่างกายมันเจ็บป่วยอย่างเนี้ยใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเสียอกเสียใจกับร่างกายของตนเองเพราะเหตุใดเพราะถือว่าร่างกายเป็นตัวตนของเราแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราเนาะ อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายในที่สุดไม่ว่าใครทั้งหมดต้องเป็นอย่างนั้นพราะนั้นให้ใจใจบอกใจตัวเองนะผูร้รู้คือใจนะ่ะนำ ม, มาทำนะ่ะคือเรียกว่ามีสองนะ่ะให้รู้จักไว้นะ่างกายนะี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนะ้อในสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำเนะ้อทําในสิ่งที่ดีให้สสแสวงหาทรัพย์เข้า สู่จิตสู่ใจเอาไว้ให้สร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจเอาไว้อีกสักวันหนึ่งพ อ, พอร่างกายแตกตายสลายลงไปดวงวิญญาณนั้น่ะมีบุญมีกุศลบุญกุศลจะเข้าสู่จิตวิญญาณของคนคนนั้นจากนั้นคนที่มีบุญก็เหมือนกับคนที่มีเงินออกจากรถคันนี้แล้วรถคันนี้มันหมดสภาพแล้วก็ไปหารถคันใหม่อีก เข้าไปลบขับรถคันใหม่ออกมาอกีกแต่ถ้าว่าเราไม่มีทุนนะเราไม่มีเงินเราไม่มีทุนพอเข้าไปที่นี่มันไม่มีทุนเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้ส ะ, สะแสวงหาทรัพย์เอาไว้เราไม่มีเงินติดกระเป๋าพอเราเข้าไปที่นี่อาจจะเข้าไปท้องช้างท้องมา้าท้องบัวท้องควายท้องหมาอะไรก็ได้ที่นี่เพราะคนไม่มีบุญคนะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านสอนเอาไว้ปลํคือการกระทา ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพอให้พวกเราศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนาคทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะให้เป็นข้อสังเกตเป็นข้อศึกษาพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ให้พวกเราเชื่อทีเดียวก็ให้ฟังเอาไว้ให้สังเกตเอาไว้ว่าเป็นยังไงอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าพวกเราอยากจะรู้ อ, อยากจะพิสูจน์ก็ให้พวกเรามาพิสูจน์แน่ละคราวนี้ถึงจะมีเวลาน้อยก็มาพิสูจน์ การพิสูจน์นั่นคืออะไรคือทําจิตให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าพิสูจน์ที่โคลนต้นโพนัะนะ่นแหละขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วพระองค์รู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าร่างกายเป็นอันหนึ่งจิตใจเป็นอันหนึ่งเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นนะ่ะ ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันคนละอย่างกันรูปธปรรมกับ น, นามธรรมแต่อาศัยกันอยู่แต่ตัวนามธรรมเป็นผู้บังคับร่างกายให้เดินให้เหินให้หิวให้กระหายรู้ได้หมดแต่มดถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ารถหมดสภาพใช่ไม่ได้แล้วคนขับรถก็ต้องกระโดดออกจากรถอีกเหมือนกันร่างกายก็หมดสภาพพทุทธิสกไ็ไปเผาผีจีกระดูกกันละทีนี่ ไปเผาเขา้ามงเข้าเมนไปแล้วเว็ก็จบละในชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งพวกเราก็คงจะเคยเห็นเพราะนั้นในการเป็นอยู่ของพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้มาเกิดมาได้พบพุทธศาสนาอยู่ในใต้ร่มพระบารมีของในหลวงของพวกเรา แล้วก็ให้พวกเราให้เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประ ม, มาทนะจากนั้นก่อนคนเราอยู่ด้วยกัน ก, ต ก, ตก็ต้องมีกฎต้องมีกติกาเหมือนกับกฎหมายบ้านเมืองอย่างนั้นแหละถ้าคนไม่มีกฎกติกาอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับสัตว์สาร้ายสิงเหมือนกับสัตว์ป่าอย่างหลวงพ่อนีต่ตะก่อนมีหมูป่าเยอะนะในวัด ถ้าพวกเราเดินไปทางขวามือของหลวงพ่อจะเห็นกรงหมูที่ดักหมูป่าหมูเป็นร้อยๆแบบั้นจ่ะแต่ตัวไหนเป็นตัวใหญ่กว่าเพื่อนกรงมันบักใหญ่บเบลอเปล่าหลวงพ่อเอามันสัมปะหลังมาเทลงไปถ้าตัวใหญ่ขึ้นมามันจะกินมันละตัวเล็กเข้ามาใกล้ไม่ได้มันทะลึ่งตาใส่ทั้งที่กรงมันบักใหญ่เมอมันห่วงไม่ให้หมูกินบบนั้น จนมันกินอิ่มแล้วก็ตัวใหญ่ๆเข้ามากินมันพอจะสู้กันได้มันก็ไม่กล้าที่จะทํากันต่างตัวต่างกินกินเสร็จแล้วก็เดินออกจากนั้นหมูเล็กหมูน้อยยังค่อยเข้ามากินอันนี้แหละคือมันไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีกฎหมายคุ้มครองตัวไหนใหญ่ตัวนั้นก็เอาชนะหมูได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นมนุษย์จึงมีกฎจึงมีระเบียบกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จึงมีกฎหมายขึ้นมาแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสู้ธรรมท่านก็ปกครองคณะสงฆ์คณะสัท ธ, ธายาตโยมเป็นพุทธบริษัทสพระพุทธองค์ก็สำหรับฆราวาสญาตโยมควรทําตัวอย่างไรแอนสวายสาหรับฝ่ายพระเนี่ยควรทําตัวอย่างไรแอนทางฝ่ายพระเนี่ยก็คือท่านก็บัญญีจัดสินขึ้นมาอย่างพวกเราท่านท่านทั้งหลายจะได้รักษาเนี่ยมเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็จะรักษาศีล 227คือสินพระสงฆ์สัมมาเนก็รักษาสิน10คื อ, อยังไม่ถึง20ปีท่านให้รักษาสิน10ส่วนคราวาต์ญาติโยมท่านให้รักษาสินห้าหรือสินอุโบสถิคือสิน8ถ้าจะว่าไปแล้วสินก็คือกดและเบียบการอยู่ร่วมกันอย่างหมูป่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั่นะถ้าหว่าพวกเราไม่มีสินคุ้มครองตัวไหนใหญ่ก็เบียดเบียนตัวเล็กเอาเบียบตัวเล็ก เอาเปรียบเปรียบคนโง่เอาเปรียบคนที่ไม่รู้แต่ถ้าว่ามีคุณธรรมมีกฎหมายคุ้มครองแล้วหลายคนดูเธอเอ้าวเธอจะไปเอาเปรียบเขาไม่ได้นะให้เขามีกฎมีระเบียบขึ้นมาในชุมชนและสังคมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเรื่องวินัยหรือศีลขึ้นมาแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่เข้าใจวิสินนั่นคืออะไรวินัยนั้นคืออะไรพวกเราก็ถือว่าเป็นของเป็นของพระหรือเป็นของคนแก่ ให้สำหรับถือสินแต่ตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสัตยาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าถ่าว่าพวกเราต้องการความสงบพร่อมเย็นผาสุกแล้วพวกเราจะต้องมีศินคุ้มครองมีกฎระเบียบคุ้มครองมีกฎหมายคุ้มครองอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัติศินห้าประการสําหรับให้ครวัตญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกคื อ, คอใครคือโยมผู้ชาย อุบาสิกาก็คือผู้หญิงสําหรับศีลห้าในะสําหรับอุบาสกอุบาสิกานะพอเพราะว่าพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่การงานจะต้องจัดจะต้องทําจะต้องมีศีลคุ้มครองถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่มีศีลคุ้มครองแล้วพวกท่านทั้งหลายจะเดือดร้อนการอยู่ด้วยกันจะหาความสงบผาสุกไม่ได้เนยก็เหมือนกับหมูป่าอย่างที่ว่านั่นแหะถ้าว่าไม่มีกฎหมายในการอยู่ร่วมกันพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลตั้งแต่สมัยนู้น่ะ สมัย2551ปีให้หลังแล้วนะ่ะพระพุทธองค์บัญญัติจัดสมัยนูน้นแต่ศีลของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาคิดมาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลแล้วยังเป็นศีลที่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมแต่ถ้าาพวกเรานําศีลของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะสงบร่มเย็นเป็นจุกได้ก่อนที่พระสงค์จะให้ศีล ท่านก็นะโมตัสสะซะก่อนนะทําไมจึงท่านจึงว่านะโมท้าว่าพวกเราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นคือนะโมนะนะโมสามจบในความแปลและความหมายอย่างนี้นะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหรัโตสัมมาสัมพุทธสัจแปลว่าข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความหมายนะ กล่าวถึงสามครั้งคือทำไมจึงกล่าวเพราะว่าเราจะรับศีลนึ่คือศีลนี่เป็นศีลของพุทธะเป็นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลของออท่านผู้เผยเสริจ ท, ที่บัญญัติมาแล้วพวกเราพิจารณาไตรตรองเหตุและผลแล้วศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงจริงที่ท่านบัญญัติเอาไว้นะั่นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลเราจึงของนอบน้อมพระพุทธเจา้าต้นความคิดเสก่อน ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีนมาถูกต้องจริงๆเป็นธรรมจริงๆให้ความร่มเย็นเป็นถูกต่อโลกจริงๆถ้าพวกเราปฏิบัติตามสีนธรรมแล้วโลกทั้งโลกจะสงบร่มเย็นเป็นถูกจริงๆนะอันนี้ก็คือศินที่พวกเรานอบน้อมจากนั้นก็พุทธทางทำมังสังขังสารานางคัฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึง่งฮะพุทธทางคือคือพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่าพระธรรมก็คือคําสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือพระสงฆ์สาวกที่นำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาขยายผลให้พวกเราได้เข้าใจแต่ข้าว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นผู้นําพระธรรมมาประกาศมาเผยแผ่ให้พวกเราพระพุทธศาสนาก็คงจะหมดจากยุคสมัยนู้น่ะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานจบแล้วก็คือจบไม่มีผู้ใดนําพระธรรมมาเผยแผ่ เพราะนั้นพวกเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากพวกเราจึงย Cry ึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งดูตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังสารนังกฉามิยืนยันเป็นครั้งที่สองตาตียามปีพุทธทางธรรมังสังขังยืนยันเป็นครั้งที่สามยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลนท่นเอ ป้านาถ้าจะว่าไปแล้วถ้าพระพุทธเจ้าประกาศว่าพวกสูเจ้าทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าว่าสูเจ้าต้องการความสงบต้องการความผาสุกต้องการความร่มเย็นในกลุ่มในหมู่ของในหมู่ในคณะของสูเจ้าสูเจ้าต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้หนึ่งสู่เจ้าจะคิดฆ่ากันถ้าสู่เจ้าคิดฆ่ากันคนนี้ก็อยากจะฆ่าคนนั่นคนนั้นก็อยากจะฆ่าคนนี้ บางทีเผลอเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียของเขาเขาก็เสียอกเสียใจเขาก็เป็นทุกข์ถ้าเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าล้านเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นสูรเจ้าต้องการความสงบพรมเย็นเป็นสุขและสูรเจ้าอย่าฆ่ากันเน้ออันนี้คือศินข้อที่หนึ่งพวกเราพิจารณาดูสิว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติถูกไหมถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแล้วพวกเราจะเห็นขุนฆ่า ของศิลป์พระพุทธเจ้าอย่างมากเลยแต่ถ้าพวกเราเห็นแก่ตัวเห็นแต่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ข้อสําคัญได้เปรียบค่าเยียบไปหมดอ่ะอันนั้นค่าคิดใจจิตใจเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นแปลว่าศิลปของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่าสําหรับคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าถ้าไม่เบียดเบียนึ่งกันนะกันความสงบร้มเย็นจะเป็นเป็นถูกเกิดขึ้นมาได้ อันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานาเวรมณีเราจะไม่ขโมยคนอื่นเขาถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะขโมยแม่ขโมยพ่อขโมยลูกเมียของเราไปเรียกค่าไทยละ่ะเราเสียใจไหมถ้าเราไปทําให้แก่คนอื่นเขาละ่ะเขาเสียใจไหมเขาก็เสียใจไปขโมยรถ ข, ของเขาไปขโมยรองเท้าของเขาไปขโมยสิ่งของของเขาเงินคําทรัพย์สมบัติของเขาเขาเสียใจไหมเขาเสียใจ ถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศินของพระพุทธเจ้าข้อที่สองอย่าขโมยกันเนอ้อท่าว่าพวกสุเจ้าต้องการความสงบร้มเย็นผาสุขในชุมชนในกลุ่มของสุเจ้าให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้มันขยันในการหาทรัพย์ในการสวดแสวงหาทรัพย์เนอ้อย่าไปขโมยของเขาถ้าขโมยของเขาแล้วพวกสุเจ้าจะเดือดร้อนวุ่นวายนีอันนี้คือศิลข้อที่สอง ข้อที่สามกาเมสุวิชาจารสามีภรรยาของใครเขาคลรักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาร่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสู่เจ้าจะไปล่วงล้ำให้เคารพสิทธิ์ซึงการละกันเนอรต่างคนต่างมีมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีสามีภรรยาเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์จึงกนและกันถ้าวาสู่เจ้าทั้งหลายล่วงล้ำกัน สูเจ้าจะหาความสงบผาสุขไม่ได้เน้อในชุมชนของสู่เจ้าอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมะนีสู่เจ้าจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันหนะ้าถ้าวาสู่เจ้าลบต้มตุ๋นหลอกลวงกันสู่เจ้าจะหาความสงบร่มเย็นผาสุขไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไปที่ไหนก็หาความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะมีแต่ต้มตุ๋นหลอกลวงซึ่งกันและกันอันนี้คือคือศินข้อที่สข้อที่ห้าสุราเมระยะมชะปะมา การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วมันขาดสติพอขาดสติเข้าไปแล้วเท่นี่เหมือนกับเป็นบ้าชั่วค้าวชั่วคู่ชั่วขณะจากนั้นก็ทําความชั่วได้ทุกอย่างเท่นี่ข่าพ่อก็ได้ข่าแม่ก็ได้ข้าผูข่าเมียข้าสี่ตีสงได้ทั้งนั้นเพราะเพราะเมาสุราเพราะเมาเหล้าเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงสู่เจ้าต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขสู่เจ้าจะไปกินเหล้าเนอะกินเข้าไปแล้วมันเมา ทำเมาแล้วมันขาดสติถ้ามันขาดสติมันแล้วมันทําความชั่วความเสียหายได้หลายๆอย่างเพราะนั้นสูตเจ้าอย่าไปกินเหล้า น, นี่คือศินข้อพระโพธิเจ้าข้อที่หข้อที่ห้าถ้าจะว่าไปแล้วอันตรายพอสมควรคนดื่มโซราขาดสติแล้วทําความชั่วได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้อย่างพวกเราเห็นในสื่อต่างๆจากนั้นขโมยของใครก็ได้และประพฤติผิดในการมลาลาบและล่วงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ แล้วก็โกหกก่ได ok ้ฮะ yeah, <Yeah. S 1> พกเขินคนดื่มสุราเพราะนั้นถ้าเราพิจารณาไตรต่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินคุ้มของโลกจริงๆเป็นสิลที่มีคุณค่าจริงๆถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบพร่อมเย็นผาสุขแล้วพวกเราควรจะสมาทานจริงควรจะเห็นสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ ถึงใครจะไม่รักษาศินก็ตามข้าพเจ้าเห็นคุณค่าแล้วสินของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆข้าพเจ้าคนหนึ่งจะรักษาศินนั้นให้มีในใจของพวกเราที่เป็นชาวพุทธจากนั้นก็สมาทานสินในจิตในใจพรอหลวงข้าพเจ้าเห็นคุณค่านับหนึ่งจะกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเป็นคนดีข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศินข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนใครนี่แหละอยากจะให้พวกเราศรัทธาญาติโยม นาคทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาในวัดของหลวงพ่อน่ให้สำเนียกให้สำนึกอันนี้คือเป็นแนวความคิดของพุทธศาสานาให้พวกเราคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วหลวงพ่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องศึกษาและจะต้องนามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเรา ถ้าพวกเรามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วพวกเราจะถึงจะอยู่ด้วยกันมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ระแวงแคลงใจกันรักเคารพเหมือนอวัยวะเดียวกันรักเหมือนพี่เหมือนน้องไว้เนื้อเชื่อใจกันมีอะไรแบง่งกันอยู่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีเมตตาต่อกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แหละหลวงพ่อวัตถืบอกพวก เราท่านทั้งหลายที่มาอยู่เหมือนอวัยวะของหลวงพ่อนะหลวงพ่อรักเมตตามีอะไรมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ใจเรื่องอะไรก็มาบอกเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอะไรหลวงพ่อก็บอกแต่ว่าถึงยังไงข อ, ขอให้พวกเราอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอย่าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเพราะหลวงพ่อเองเข้ามาบวชคุณหลวงพ่อก็ไม่มีอภิสิทธิ์ที่จะอยู่นอกเหนือหลักพระธรรมวินัยไปได้พัวหลวงพ่อเองก็เป็นผู้มีศีลอยู่ในกฎระเบียบของ พระพุทธเจ้าทุกประการนะถ้าหลวงพ่อรู้แล้วอะไรคือพระพุทธเจ้าบัญญัติหลวงพ่อจะเคารพในหลักพระธรรมวินัยนั้นนะการอยู่ด้วยกันถ้าว่ามีศีลคุ้มครองแล้วมีแต่ความสงบผายจุกอย่างที่ศีลห้าที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของอุบาสอุบาิ ก, กาจะเป็นผู้รักษาและพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์ก็ยิ่งรักษาเลยสิเพราะศอรักศยี่2ิบ็ถ้าไม่นับ ถึงถึงห้าแล้วจถึง2องยี่บเจ็ได้ยังไงถ้าถอดห้าออกไปแล้วมันก็ต้องต้องลดลงมาเหมื่อกี้น่ะเอออันนี้ก็เหมือนกัน8ดก็เหมือนกันถ้าลดห้าออกไปแล้วก็ไม่ถึงแปดสิบก็เหมือนกันถ้าลดห้าออกไปแล้วก็ไม่ถึงสิบเพราะฉะนั้นสินห้าเป็นศินพื้นฐานเป็นศินเบื้องต้นเป็นศินคุ้มครองของพระสงฆ์เหมือนกันสามเณรเหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาทุกหมู่เหล่า สรุปแล้วก็คือเป็นศินคลคุ้มครองกลุ้มคลองโลกให้สงบพรมเย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเข้ามาศึกษาศิลธรรมในวัดของหลวงพ่อในคราวนี้ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็หลวงพ่ออยากจะเน้นหนักเรื่องจิตภาวนานี่แหละเพราะหลวงพ่อเน้นจัดเรื่องภาวนาภาวนาเนี่ยคืออะไรทําสมาธิทําจิตใจให้สงบจิตใจใสงบนั่นคืออะไรคืออบรม อบรมคือตัวผู้รนะู้น้ำมธรรมจุดๆนั้นแหละคือรูปธรรมคือร่างกายอย่างที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังส่วนน้มธรรมจิตใจนั่นจะจับยังไงจึงจะจับอยู่ได้จะอบรมได้พระพุทธเจา้าต่ออบรมสมาธินอะเอาสมาธิมาจับจิตจับใจดวงนั้นทําใจให้นิ่งซะก่อนถ้านิ่งแล้วเราจะมองเห็นว่าสิ่งไหนที่มันดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันไม่เหมาะสมสิ่งไหนที่มันเหมาะสม จิตไหนสมควรถึง ไ, มงไนมม่สมควรถ้าจิตสงบแล้วจะเห็นจะมองเห็นได้จะรู้ได้อแล้วก็จะฝึกหัดดัดเกลอาตัวเองได้ให้เป็นคนดีได้ถ้าใจดีแล้วใจมีเหตุมีผลแล้วใจมีศีลมีธรรมแล้วการกระทําออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมการพูดออกไปก็เป็นศีลเป็นธรรมแต่ว่าจิตใจของเราโมโหโทโซโกธาขุนเคืองอยู่ในจิตในใจนะ มีแต่กิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจพูดออกไปก็มีแต่เรื่องไม่ดีกระทำออกไปก็เป็นมีแต่เรื่องไม่ดีนะเพราะนั้นใจสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการอบรมเข้าสู่ศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าอบรมดีแล้วความสงบพรมเย็นเป็นจุดก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราของพวกเราท่านทั้งหลายเองในวันนี้หลวงพ่อได้พูด แนวความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอต่อเนี้ไปหลวงพ่อจะแนะแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัติระนาที่นี่นะออันดับแรกตั้งแต่บัดนี้เป็นขณะเดี๋ยวนี้ละถึงหลวงพ่อก็จะบอกว่าเออเอาพวกเรานั่งสมาธิน้าเนี่ยอคือให้พวกเรานั่งคัสมะเหมือนพระประธานเนี่ยมองเห็นพระประธานไหมนะ่ะงั้นน่ะนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็มือขวาทับมือซ้าย หลับตานะพอหลับตาแล้วก็ทำกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกออคืออันดับแรกก็คือพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้พวกเราประนมมือปนมมือขึ้นในระหว่างอกในระหว่างอกก็คือไหว้ครูซะก่อนอย่างั้นนะ่ะนึกพุทโธธโ ม, โมสังโฆพุทโธธโ ม, โมสังโฆเราทําไมจึงนึกพุทโธธโ ม, โมสังโฆเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว ธ ร, รมโมคือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสังโคก็คือพระสงค์สาวกที่นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่มาประกาศให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิ เ, าเราก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกพุทโธธรมโมสังโคพุทโธธรมโมสังโคพุทโธธรมโมสังโคสามจบซะก่อนจากนั้นก็เอามือลงพออามือลงเสร็จแล้วเราก็ให้ภาวนาแผ่เมตตาซะก่อนนะ ใจของเรามันวุ่นวายมันเดือดร้อนเราก็ข้าพเจ้าจงเป็นสุขขอให้ผู้อ erm ื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัพสัตวอื่นวิญญาณทั่วไตรโลกกระถาก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไใจโลกก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา สรุปแล้วก็คือตนจงเป็นสุขทุกวิญญาณจงเป็นสุขตนจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขในเมื่อเราบฏิกรรมชั่วระยะหนึ่งจากนั้นเราก็กําหนดลมหายใจเข้าประเด็นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ต้องแต่งลมนะอย่าไปแต่งลมอย่าไปเกรงอย่าไปเกรงตัวนะคือให้เห็นตามธรรมชาติของลมหายใจเข้าออกคนไม่ตายก็ต้องมีลมผ่านจมูก แต่บางทีพวกเราไม่เคยนะไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยกำหนดเลยนะพวกเราจะไม่รู้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกมันเข้ายัางไงมันออกอยังไงมันหายเงียบหายเงียบไปเลยเพราะว่าใจของเรามันยังไม่เคยฝึกนะใจของเรามันยังไม่เคยฝึกฝนในเรื่องนี้เราก็พยายามหายใจแรงๆดูนะหายใจสืบหายใจแรงๆเข้าไปแล้วก็หายท่อออกมาแรงๆดูแล้วมนกระทบที่ไหนนะ มันกระทบที่นีหยเราจะรู้ได้โอ้มันกระทบที่ปลายจมูกเองที่ดั่งจมูกเองมันจุดนี้เองที่มันก็ค่อยผ่อนผ่อนผ่อนลงนะ <_ d> um> จากนั้นเราก็พยายามกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกถ่ไม่ส่งไม่ต้องส่งเข้าไปข้างในนะ <_ d> um> ไม่ต้องส่งเข้ามาถึงท้องแล้วไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกเพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูก <_ d> um> เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูใช่ไหมประตูบันไดเขาเราขึ้นมาเนี่ยเรายืนอยู่ข้างประตู คนเดินผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าคนผ่านคนผ่านออกไปเราก็รู้ว่าคนผ่านออกไปเราไม่ต้องตามคนลงไปแล้วเราไม่ต้องตามคนขึ้นมาเรายืน อ, อยู่ข้างประตูอย่างนั้นนะให้รู้ว่าคนผ่านเข้าคนผ่านออกเรารู้เรานับได้ว่าคนผ่านเข้าโดนคนปะนี่ก็เหมือนกันให้เรารู้ว่าลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกทูหายใจเข้าพุทธหายใจออกทพุทโทพุทโทพุทโท MC แต่แยนะอย่าไปแต่งลมนะอย่างที่ว่านั่นนะ จากนั้นเราให้กาหนดอยู่อย่างนั้นแต่บางที่มันอาจจ ะ, ะแหวบไปเอาดึงกลับคืนมาให้อยู่กับที่เก่านั่นแหละมันแวบไปมันคิดไปถึงูโน้เอาดึงกลับมามันอยู่ที่เก่าถ้ามันไม่อยู่จริงๆเราบริกรรมสำทับในจิตใจของเราเรานึกคิดทำไมเราจึงรู้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรเราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ในตัวรู้สึกในความรู้สึกของเราลึกๆนะ่ะที่เราคิดแต่ตัวคิดนะอ๋อไม่อย่าให้มันออกไปข้างนอกเลยสดี๋ยอให้มันพุโทโธอยู่ที่ใจที่มันคิดเลยเพื่อให้สำทับอยู่นั่นไม่ให้มันปรุงไปทั้งอื่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ LM. ให้มันอยู่ในนั้นน่ะถีเย็บเลยว่างั้นเถอะแต่อย่าไปเพ่งมันนะอคือถึงจะบอกพุทโธให้ถี่ยิบก็ตามแต่ให้อยู่ตามธรรมชาติให้อยู่ตามธรรมดาธรรมดาว่งั้นะปล่อยวางพุทโธพุทโธนี่แหละ จิตของเราจะรู้ได้เลยเออใจของเราเข้ามาสู่ความสงบเราจะรู้ได้แหละท่นี้เออร่างกายเนี่เป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งร่าจิตใจของเรานามารมตัวผู้รู้เนี่เป็นอันหนึ่งเออมันคนละอันกันอาศัยร่างกายนี่อยู่เนี่ยเราจะเห็นด้วยตนเองอันนี้คือหลักพิสูจน์จากน้องก็กําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธ ต่อไปภายภาคหน้าการบริกรรมพุทโธการปฏิบัติภาวนาเนี่ยะจะเป็นประโยชน์สําหรับต่อไปภายภาคหน้าสําหรับพวกเราท่านทาั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเท่าแก่ชรานะพวกเราจะต้องผ่านจุดนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะถ้าเราไปตายง่ายนะเราจะต้องเท่าแก่ชราเมื่อเท่าแก่ชราเราอยู่ตามลําพังก็ได้อยู่กรรมฐานของเราภาวนาพุทโธพุทโธเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปคนเดียว เราเกิดมาเราไม่ได้แบกใครมาเกิดเราตายไปเราไม่ได้ออมแบกใครไปด้วยเราเกิดมาคนเดียวเราตายไปพุทเดียวเรายึดพุดโทโธเนี่ยน่ะนี่แหละคือหนทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําสัง่งสอนถ้าพ้มีพุทธโธแล้วจิตใจจะไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่เงียบเหงาไม่เศร้าซึมอ่าเพราะจิตใจมีพุทธโธนะเพราะฉนั้นพุโทโธของเราบริกรรมพุโทโธสมาธิของเราเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะ ยังมีอะไรเกิดขึ้นเรากูวิ่งเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธไม่ต้องส่งจิตไปรับรู้รับทราบเรื่องนั้นให้พักจักก่อนมักันให้มีกำบังให้มีสนามเพาะให้มีเกาะกำบังไม่ให้จิตใจออกไปไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาพุโทโธพุโทโธมรสุมมันผ่านไปแล้วยังโผล่ออกไปยังแก้ไขไว่าแก้ไขยังไงในขณะที่จุดนั้นมรสุมเข้ามาอย่างแรง เ, เราจะไปสู้กับมันไม่ได้ ทุกเวลาน่ะเผอๆ เ, เ, เ, เป็นบ้าได้ง่ายๆว่าน่ะเพราะนั้นเราต้องรู้จักวิธีหลบนะส ม, มาธินี่แหละ เ, เป็นที่หลบทางด้านจิตใจได้อย่างดีเพราะนั้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายนาคทั้งหลายเนะให้ทั้งอกตั้งใจปฏิบัติตรวงพ่อว่าเข้ามาคราวนี้นะใ ห, ให้มันเกิดประโยชน์นะให้มาศึกษาเลือกลักทำคำสั่งสอนแล้วจากนั้นพวกเราก็จะนาไปประพฤติปฏิบัติ ทังภายนอกไปทั้งภายในด้วยพวกเราจะสงบพรมเย็นผาสุขไปอยู่นาที่ใดมีแต่ความผาสุขแต่ถ้าพวกเรามีศีลธรรมในจิตในใจแล้วนะเข้าต่อ น, นี้ไปนะหลวงพ่อจะให้นั่งสมาธิจับชั่วระยะหนึ่งก่อนคงไม่นานนะเราจะกนันจะค่อยเลือกแยกย้ายกันพระพี่เลี้ยงสอนนาอีกเป็นครั้งที่สองสักเที่ยวหนึ่งก็คงจะไม่ดึกเกินไปหลวงพ่อก็คงจะไม่พานั่งนานคงจะให้นั่งเป็นแนวทางจะเป็นแนวปฏิบัติ ของพวกเราตอนนั้นแหะแล้วจากนั้นก็เลิกกันเอานั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อนั่งขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมือขึ้นในระหว่างอกนะนึกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงนะในเมื่อเอามือลงแล้วเราก็แผ่เมตตาซะก่อนนะข้าเปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขคือทําใจของเราให้อ่อนน้อมซะก่อน จิตใจของเราให้อ่อนน้อมควรแก่การประพฤติปฏิบัติถ้าว่าจิตใจเรามีพยาบาทอาฆาตตึกๆลือยู่นในจิตในใจอยู่เราจะภาวนาจิตใจจะไม่ลงมันจะไม่สงบเอเพราะมันมีอะไรขวางอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องแผ่เมตตาซะก่อนแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นกรรมเป็นเวรกับใครๆทั้งหมดต่างคนก็ต่างมีกลมกลมของใครกลมของเราเขาทํากลมดีเขาก็เป็น ความชั่วของเขาถ้าทํากรรมดีก็เป็นความดีของเขาแต่กรรมชั่วก็เป็นความชั่วของเขานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแบกไปมีส่วนกับกรรมดีกรรมชั่วของเขาเราก็ทุกข์เปล่านะเพราะฉนั้นเราต้องปล่อยวางที่ใจของเราตนจงมิสุขผู้อื่นเป็นสุขนะบริกรรมจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะไอนะ้พอได้เวลาแล้วหลวงพ่อจะบอกเอออ้าวเอ า, เอ า, เอาละพ่อนะพวกเราจึงค่อยออกจากสมาธินะ